มีชายหนุม่มคนนึงนะเป็นนักจิตบาบัดที่ประเทศอังกฤษตอนหลังก็ย้ายมาหรือกลับมาเมืองไทยเพราะว่าอยากจะมาทำเรื่องสุขภาพจิตนะในเมืองไทยเพราะแกเห็นว่าเนี่ยเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายนะไม่น่าอายแล้วก็ฟรีอยากจะมาทำเรื่องนี้เพราะว่า หดือยนี้เนี่ยนะใครที่มีปัญหาด้านจิตใจจะไปหาจิตแพทย์เนี่ยใช้เงินใช้ทองมากเดยเพราะในต่างประเทศนี่ผ ม, ผมคิดเป็นชั่วโมงเลยในเมืองไทยจิตแพทย์ก็มีไม่มากแล้วก็ถ้าจะไปหาก็ต้องใช้เงินใช้ทองเดี๋ยวก็อยากจะมาทำเรื่องนี้นะอาจจะไม่ได้ทำเป็นประจำนะ อยากจะมาเป็นจิตอาสาแล้วทำยังไงนะให้คนเนี่ยเข้าถึงง่ายแล้วก็ไปที่สวนสาธารณะนะในกรุงเทพเนี่ยก็มีพอสมควรเลือกจุดที่สงบสงบหน่อยนะบนสนามหญ้าแต่ก็พอจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบ้างแล้วก็เลือกตรงนั้นเป็นเป็นจุดที่เรียกว่าจุดพักใจมาจุดพักใจนะปูเสือ แลวแ ก, ก็นั่งนั่งรอคนมีป้ายนะตั้งเอาไว้บนสนามหญ้าว่าเขียนว่าเนี่ยใครมีอะไรในใจวันนี้เขื่อนนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังนะครับนะเขือนเนี่ยคือชื่อเล่นของชายหนุ่มคนนี้แล้วก็ในป้ายเขียนบอกว่าเนี่ยถ้าอยากนั่งนิ่งๆด้วยกันก็ได้นะครับ นะก็เพรากว่ามีคนที่สนใจนะก็มานั่งบนเสือแล้วก็มาพูดคุยสิ่งที่เขือนเนี่ยเขาตั้งใจทำคือแค่ฟังเฉยเฉยนะฟังเฉยเฉยเพราะว่าคนที่มีความทุกเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยถ้าเขาได้พูดได้ระบายหรือว่าได้เล่าและมีคนฟังเนี่ยก็จะรู้สึกดีขึ้น ขอเพียงแต่ว่าคนฟังนี้ก็ฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่ตัดสินนะเขาก็มีกติกานะแล้วก็บอกให้ใครๆก็รู้ใครๆรู้นะว่าเนี่ยที่มาคุยมาเล่าเนี่ยเขาจะถือเป็นความลับจะไม่บอกใครและให้จบลงตรงนี้นะคือคุยเสร็จก็จบนะจะไม่มีการไปบอกไปเล่าไปขยายความต่อ แล้วก็เพื่อทําให้บรรยากาศมันดูเป็นมิตรหน่อยอ่าก็เตรียมน้ำนะต้อนรับนะมีพัดลมอ่าเล็กๆ เ, เพราะว่าสนามหญ้าบางทีก็ร้อนนะมีพัดลมเล็กๆคอยให้ความคอยปัดเป่าความร้อนพัดลมปัดเป่าความร้อนกายนะส่วนจิต ท, ที่ตั้งใจฟังก็ช่วยปัดเป่าความทุกข์ในใจก็มี หลายคนสนใจนะทีแรกก็งงๆไว้อะไรนะแต่พอรู้ว่าเนี่ยเกิดเนี่ยก็เป็นมิตรเขาพร้อมจะฟังคนที่มาเยือนก็เล่านะเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจความเครียดความวิตกกังวลความกลัวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ก็มีคนไม่น้อยนะที่เป็นโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าก็รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่กล้าที่จะคุยออกับใครอันนี้ก็เป็นปัญหานะคนมีความทุกข์โดยเพพาะโรคซึมเศร้านี่ไม่อยากจะให้ใครรู้รู้สึกอายนะแต่เขื่ก็บอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะก็เขายินดีรับฟังบางคนก็มาเป็นคู่นะ ก็ จ, จะมีความขัดแย้งกันระหว่างคู่ชีวิตพอได้เล่าได้ระบายนะพหลายคนก็มีความสุขนะมีบางคนก็สวมกอดเขือเลยนะขอบคุณมากแล้วก็าก็ทนนะนั่งแต่เช้าจนค่ำเลยโดยที่ไม่ได้อะไรเลยนะเลื่องเป็นจิตอาสาที่น่าสนใจมากแล้วก็ทำคนเดียวด้วยนะที่จริงถ้าเขาไป ทำมาหาเงินนะดยการเป็นนักจิตบำบัดตามโรงพยาบาลใหญ่ๆก็คงได้เงินเยอะแต่ว่าเขาพอใจที่จะสละเวลานะมาช่วยเยียวยาความทุกข์นะของผู้คนก็ไม่ได้ทำทุกวันนะก็คงจะต้องไปทำอาชีพของตัวในฐานะนักจปปิตบำบัดที่โรงพยาบาลแต่ว่าก็เป็นคนที่มีน้ำใจ เห็นว่าเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ยังเป็นต้องไปโรงพยบาบาลก็ได้เรื่องการเยียวยาจิตใจคนมันเป็นเรื่องที่ควรจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ฟรีแล้วทีนี้ก็ทำก็ไม่มีอะไรนะแค่ฟังฟังด้วยความตั้งใจด้วยความเป็นมิตรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนแค่ฟังอย่างเดียวก็ช่วยได้เยอะแล้ว วิธีนี้มันได้ผลนะได้ผลดีด้วยที่แอฟริกาเนี่ยนะมีประเทศนะประเทศซิมบับเวชาวบ้านนี่ก็มีปัญหานะทั้งชาวเมืองหรือคนในชนบทเนี่ยมีปัญหาความเครียดนะแล้วก็โรคที่เป็นกันมากขึ้นเรื่อยๆคือโรคซึมเศร้าแต่จิตแพทย์นเนี่ยเขามีน้อยมาก บางคนก็ไม่มีเงินนะจะไปหาหมอไปหานักจิตบำบัดเพราะอยู่ไกลค่ารถแค่ร้อยสองร้อยนี่ก็ไม่มีปัญญาแล้วก็มีจิตแพทย์คนหนึ่งนะแกก็จัดทำโครงการนะง่ายๆนะชื่อว่าม้านั่งมิตรภาพก็คือให้คุณยายนี่แหละนะมานั่งตรงม้านั่ง แล้วก็เปิดโอกาสให้ใครที่มีความทุกเนี่ยในหมู่บ้านหรือในเมืองเนี้มานั่งด้วยแล้วก็เล่าความทุกขคุณยายคุณย่ายนี่ก็ทําหน้าที่เป็นแค่ฟังอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นจิตอาสานี่เขาก็มีการอบรมสักหน่อยนะเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพจิตใจของคนที่มีความทุกขแล้วคุณ ย, าย่าคุณยายนี่แ ก, กไม่ต้องทําอะไรแกก็ฟัง ด้วยความใส่ใจแล้วก็ไม่ได้คำแนะนำอะไรอาจจะถามเพื่อช่วยให้คนพูดเนี่ยหรือคนที่มีความทุก์เข้าเข้าใจปัญหาตัวเองดีขึ้นแล้วปรากฏว่าหลายคนนะพบคำตอบด้วยตัวเองนะแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความเครียดความทุกข์ได้เมื่อตอนหลังนี้มานังมิตรภาพนี้ก็แพรก่กระจายไป หลายอำเภอหลายเมืองหลายจังหวัดตออหลังก็กระจายไปยังประเทศอื่นด้วยนะในแอฟริกาเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ของคนได้มากเลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยจิตแพทย์หรือนั ก, กจิตบำบัดที่ต้องไปเรียนกันสามสี่ห้าปีหลังจากจบมาเท่าไหร่แต่ว่าอาศัยชาวบ้านที่เขามีทักษะนะทางด้านการพูดการคุยหรือว่ามีความเป็นมิตรมีใจให้ อแค่นี้นี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วเลยเพราะความมีน้ําใจและความเข้าใจคนทุกคนยากเรื่องการฟังนี่นะจริงๆแล้วนี่มันมีอนิสงส์มากเลยนะขอเพียงแต่คนฟังเนี่ยฟังด้วยความตั้งใจมีความเป็นมิตรที่จริงแม้กระทั่งในบ้านเนี่ยครอบครัวเนี่ยท่อพ่อแม่เนี่ยฟังลูกฟังมากๆแทนที่จะเอาแต่สั่งแต่สอนหรือว่ายัดเยียดความปรารถนาดีให้ลูกเนี่ย ฟังซะบ้างนะฟังว่าลูกเขามีความทุกข์ยังไงฟังโดยที่ไม่ต้องตัดสินว่าดีชั่วฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจนะเราบางทีก็ไม่ต้องแนะนําอะไรหรือฟังแม้กระทั่งว่าเขามีความปรารถนาอะไรในชีวิตนะเขามีความจุดมุ่งหมายอะไรนะไม่ใช่ว่าไปจัดเยียดอะไรต่อให้เขาด้วยความปรารถนาดีด้วยคิดว่าเนี่ยนี่คือชีวิตที่ดีของเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยลูก มีอะไรบ้างเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่รู้เลยนะพ่อแม่จำนวนมากจนนี้ไม่รู้เลยนะว่าลูกมีความปรารถนาอะไรในชีวิตเขาอยากเป็นอะไรนะพอไม่ได้ฟังกันนะแล้วก็มีแต่ยัดเยียดเนี่ยคนที่ทุกข์มากก็คือลูกนะั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นพวกวิตกกังวลเป็นพวกซึมเศร้ากันมากมายพราะมีความทุกข์แล้วไม่รู้จะระบายกับใครอับอายหรือไม่ไว้วางใจนั้นเวลา ใครมีความทุกข์อะไรเนี่ยเพียงแค่เราเปิดใจฟังเขา้ามันก็ช่วยเขาได้เยอะเลย